ไอ้พุทธโยตุพโมเนี่ยมันเท่ากับถามความใจจี้งมันยากไหมจ๊มันไม่ยากเหมือนกันแต่ไอ้พุทธมันทำมันจะต้องให้มันทำรูปนั้นเลิกมันบังคับถึ่ได้เป็นเท่านั้นไอ้หูที่จอเทนี่นะไปถามความจริงมันไยากหรอกไดแล้มันดาเข้ามาที่แททีจะยาถ้าดาขานั้นแล้วก็อย่าสงสัยเลยต้องไปเป็นแพทย์สยาพระมุญไร่รอยหลาพันชาติ พระดาเอาน้ำพิษคนนี้ด้วยพูกของสิ่งก็ไหลายแสนหลายล้านชาติหนอยังนางอัมพบาลีมีเกิดเป็นอุปราาดีกาสวยเงียงันแล้วถวงลืมละเป็นแพทย์เยอ่าหมทางาสนาพระพุระเจดลบวดไเป็นนางทุกนี้รักษาสิ่งบริสุ is, function, ทุกแพทย์แล้วไม่อยากจะเกิดในท้อแม่ข้อแม่โตโครเกลียดแล้วไปผลเกลียดน่นเปลียดนี่ แม่ดูของโศกต้อนเป็นเกลียด น, นี้ไปไหวเกจเกดีมาถึงพุทธกศนิพานแล้วก็ <c oughs> ทำเปเกดีใส่เป็นสุกจะพาทางไปไหเดินในลานเจลีนที่ตรงนี้แกอาห น, นึ่งเป็นทาราย <c oughs> ามไม้น้ำลายเลดน่ำลงไปในลานเป็ น, นยินน่ะเห็นไหมยืนเท้ายาที่ไหนแล้วนี่มาชมน้ำลายรถน้ำไปเจดีเท่า น, นั้นแหละแล้วก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าใครนะขอโทษแล้วมันก็เหลไปตนนี้ ต่อจากนั้นไปตกในนรกโนมนันขุดดาและอาหันด้วงขึ้นปับเพื่ยังไงจะหลืออกมาได้ตึงนาจารมารกแล้วมาเกิดเป็นยิงแพร่ยาโอ้โหขดสักทุบแลแต่เป็นยิงักเนุนหาซิงถมบนนี้ต่อมาพระภูม า, ามากรกแล้วก็ยิงจะตึ้การมาเรเกิดเป็นในซิ่งไม้มามงม่วั เราเยในท้องแม่แล้วนี่ยแล้วเขาบอกว่อดนเกิในดอกบัวม้งเขาเกิดในงานพระตพระยาพระเจ้เิดนจีงม่วงเาโผล่ที่จีนมะม่วเท่ากับสาวที่หปีระดปรดาพรรวยนายอุยานบานพระเจ้าแผ่นดิเห็นเออเอามาเลี้ยงีนมารหรอยกุมารลูกทีาเห็นเ้าก็แย่งกันยิงเสียงัมมติจะเอาน่จะเอาเน่ยไอ้กรรมนั้นมันบันดาลให้นางเจ้าเวจิน ปยานีอาจารย์พ no no no to <t> ิสาปโมอาจารย์อุกมานน่าตั้งนางอัมพุาอินอยากเป็นของไทยไม่ได้แต่เป็นแท้แต่ยาใครเอาเป็นนางไปนอนด้วยต้องคืนละพันตำลึงเป็นพันตำลึงนรับใครอาไปก็พันตำลึงพันตำลึงไรู้คืนละพันตำลึงนันอยู่เโกรธได้ ข้อ <c oughs> นี้พอต่อม า, อา ก, ก็พุทธเจ้าก็มีจายนางนั่นเขาก็เวลาเจ้าดานี่ก็เสด็จไปอยู่สวนนาเนาะต้องเห็นเขาดีเดี่ยว ด, ด, ด, ดทคานท่าก็ น, นอนยาอยู่ง่นะายแต่พุทธเจ้าโดยถนัดนี้เขาไม่ดูยากหนิเพราะบุญหลุดลุ่งเหลืองในเรื่องนี้ไปเ ท่าน่านั้น ท, ท่าานี้เรียงรถทอกมนเรียกรถทึ ก, กับเบนเจะทำหนักเข้าก็ ย, าย้ยายเลื่อนลายท่าทางชายหูสาตาดงมองเผยหนักก็หมดท่า ก, ก็แกท่าเลยแย่เดอดแล้วมาบองเดืนี่นั่นลุกยางไงลุกุ้เราทำยังไงก็ไม่ ก็เฉยๆมันจก็ออลงเพราะทอลงก็เอาข้ามนุ game, so ่งบอกกับผว่นมันสกปรกอะไรเงี้ยในดูทะเลเป็นแพทย์ยามต่อมาก็มาบวชมาบวชในน้ำน่พระแสมเอหถึง่นบอเ่อยเราเป็นแพทย์สยามันนิ่งน้ำแทะเราดาน้ำจุลินีน้ำพูดจุลน แล้วก็เราไปเกิดในนรกนะเท่าั้นเท่า huh. น <im> ั้นสิอยจางนั้นเรามาเกิดเป็นยินแทย์สยายูอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยจนมาชาตินี้เรื่อีเราซึ่งกรรมแล้วกรรมนั้นเราหมดสินายก็เชิญเขาเอาตี๋นึงแล้วก็ไปเที่สวรรค์ได้ แต่บางทีก็ไม่เกิ่ชัหน้าเขาก็สมแล้วสร้างสมไว้เกิดนั่นมันไม่ี่นเลสุญ้าอินสวนนองอ้อยอ่ไอคุณหรืออะไน่ไ กัมมานี่มีธับุญนี่มาไว้เดือนธันามันมีี่เชียวแก่ตัวพิจารณเดือนนั้นเป็นตุทนานสมุยผมนั่นนะชาวพ้นหมดกัมมะนั้นมันมีธัมบุตเลยธัมบุญกับลมน้ำไปเดือนัวามีเอ้อเดือนธันวาบุญมาไว้ ว่าแก้วหรืียาในร่างกายนั้นมีคุณป่ะโยชนเมื่อันา่รู้เลยหมดเพี้ยนนี่จะพักนี่จะพักนานๆจะพักไปจะพักไปองค์จะต้องไปตรวจที่ไหนดีได้อยู่ไม่สบายน่าจะเป็นเวลาไหนว่าเวลาไนว่าเจอกันวันไหไม่รู้กัน ศูนมดเลพระธาตุานะเมื่อวันพระเจ้าิื่ศาสนาแล้วก็พระธาตุอันตันทานก่อนเพื่อนนไม่ได้เครื่องสักกาบูชาแล้วก็มาประชุมกันในเดือนตุลาเม น, นี้นั่นทั่วหมดเมื่อไม่ได้เงินหลงไปประชุ ม, ม, น ม, มนในนาผีพบโดยในนาผพบไม่ได้เจอสักการบูชาแล้วก็ไปประชุมกันเกณฑ์ใหญ่หลวงกาโคตรหนักเข่าไม้ยึด เครื่องสัตวะระบุขชาก็จะบวชมาซ่านมาสู่โพธิบทีลังนิดนึงก็ไม่มีศูนเลยสักอย่างนึงมาปริศมรฟเป็นองค์พระพุทธเจ้าแต่โรงเนี่ยเปล่งและละเมียดทั้ง6ประการไปถึงมูลจักระวาลทำยมวิภาริษีเจ็ดวันทั้งนั้นมนันมุขไม่เห็น มปฏิงานที่นั่นและทีนีโทนามนุษย์กโธดามาทาสกัดมารกองไห้ปาธิาสูงขึนวันนี้ปาสนาจะหมดกระพุตเจ้ากระนมีแต่ภาพเจอยู่ภายในฐานซึ่งเป็นวันนี้และาัรองให้คุณไฟเกิดขึจากโบมทลกไม่สูงขึ้นนะาส์สูงขึ้นปาสนาธิชาตินะเรียกว่าาฐาน อ um ันตรธานนี ario, um. inas, so ่คืออันตยะเป็น่าปิยัตอันตรธาน้ปฏิบัตอันตรธานปฏิเวอันตรธานอันตรธานขาดอันตรธานปิยัตอันตรธานีก็เป็นเพื่อผู้ แปลวาเตือนตะเตือนระนนชานกม่อเดือนดูมีไครเมื่อมาชาติพรมีแรเตือนหมดจับเตือนไปนั้นมันนเร่งแพงนลยแวันนี้ต่อมาก็เตือนจะทาเจ็ดคันธีต่อมานะครับเ่อปฏิญตันตรธานปฏิบัติอันตรธานนะจะทรงไม่ปฏิบัติกัน่จะพิแล้วก็ไม่ด้เราเรียน ที่เล่าเรียนกระจายอิหลงมาเข้าขายกไม่อาจสามารถใรสมักษัตริย์ไม่ตั้งอยู่ในยุคธรรมทมับสุภษเสรอจาะาระราชการก็ไปต่างในชุดช้าฝนก็ไปตกตามฤดูาลนี่ค่ะทุกสารก็ปูเทีองเราจะดชาเมืองก็ไม่อาจสามาจะถวายเป็นาใจจะกระโดงกระจดงก็ไม่อาจจะเล่าเรียนกระจายอหลกได้ในมื้ใคทถวายก็ไม่กลาเราเรียนเขาเป็นดีตั้งแต่เตียงไปเตียงไปจนหมดนักโทษ จังกัะทั้งคาถาสิงหายติใครำจำนาเจ้าเจ้าเป็นดเลื่อมไส่เพื่อเอาทองขึ้นหลังพระพันตั้งลึง ท, ทีพอเราเ่าว่าใครจะแสดงคาถาสิบาาได้ไดเราถามให้มาให้ทองนี่ใหม่ใครจรับแสดงได้จะเป่าร้องไปสาวันเมื่อไม่ได้จะตกลับเข้ า, าถึงเรืองพระครังยังเก่าลับงานนีเรียกว่า หยาดอันตรธานพอปฏิบัติอัตรธานนั่งจันทรก็พยันมุ่งขวานมุ่งทีบอนว่ดูดารุงร้านเถิดสิขนาเลื่อยลงข้างหลังในจังบอลระวังมียาหมตติตลาดเป็นหมดทั้งว่าจานและกายไม่คิดโยมผ่านรถไล่เข้าในบ้านโยมผ่านผ่ายควายเข้าในบ้านกอบเปรกล้าในไรถางคาถาส่งทีหานินทรว่า โจรมินดาบก็ดมีตนคนนอกศาสนาไม่เรียกว่าตนลงไปเพื่ยวลไปหนักเข้าลุกผ้าหมผ้าในคล็อกไคลจีวนจับสามถึงหนักเข้าก็หนักเข้าก็ผ้าก็หมดลงไปหมดลงไปหนักเข้าถึงตา เขาอย่ามันต้องการอะไรภาพศาสตภพระพักตร์น้อมือเอ้มาโผ่ให้หลุมร้างำนิลงเป็นชิงนลอยชิ้นใหญ่ข้อมือมันพันคอมาห้อยหูนั่งเดสมุทรจะเป็นสงรอโคตรเป็นผู้โมมีลูกมีเย่ทำไรไถนากันได้จากดังนั้นอำนาจสมุทรศาสนาน้าจเ็สนทนมันม้วนกเจ้นคะทุกทีายนังมานั่งาองค์ ลงมาน ไ, ได้ถวายทานที่พิถงพระอริยสงฆ์มีผลตานจะบุคคลถวายทา น, น, น, น, นเป็นพิธาวอย่างทรงอย่างชนจช่ไหมประธานมันคือมันจะเด่นดอบุญในศาสนามันดีมันุมนแรงย่ว่าทาบุญนอกศาสนาเป็นอย่างตามื่อกายอังกุรนะทบุญนอกศาสนา ให้ยืมเนตีใครยังเอาข้าวให้าวยายเอาไม่รู้จะเอาผ้าดายเอาเสื้อเสื้อหารอเาเสื้อไม่เสื้อิทธิ์ชาเลี้ยงม่วู่นี่ะไ้ร่องน้ำข้าเนี่ยเลเล่นไปได้เยอะแต่นางเล่นไมได้เตานตงยืนเลงจะติดจองโ พักใหญ่ๆงนั้นเลยคือนำข้าวเช็ดทนึงแล้วก็เรือนั่นน้ำทุกข้าวกรสานหนักๆแล้วเข้าไปในร่องนำข้าวนั่นได้ให้ดูมีตี อย่างนั้นะตอนน้าจม่ระพระพุทธเจ้ามาสรพระเจ้าพระพุทธเจ้ามาสรก็มีอินข้นมนกตัวนึงเป็นคนยากจนไม่มนะีอะไรจะทำอินเห็นนการบุตรการรุธไปยินบาข้าวมาชักทีสหมอขาว่ใส่ถ้วยนักการบุตรกินะ จย่างงานทีเจอในดามฮัุ a ะที่ติดยางลูกหมางกว่าติดข้าวเป็นบัดมากกว่าติดข้า t กระสักว่าติดข้าวเมาไ้าหน้าดีนอาไปนั่งสอนเาไปินแินแตเนินเม ทางพระราธบุรนนางภูที่เทดาหาที่แล้ีเจาเทที่เขือนกว้างมากแต่คนนี้เขแรงกว่านะต้องคอยต่อไปแต่เดี๋ยเวาที่เขื่อนกว้าานั้นไมเหียดให้สุราต้งคอยอยเดี๋ยวเวดาที่เขื่อนกว้าานั้นนกย่าถอยไจกว่าทุกข์มดจมไม่ถอยเดี๋ยวจาร่าจะให้เห็นว่าผลทาในศาสนาน้าแรงนย่งจะถามมักคง ท่าไปก็ยังั้นล่าพยารานะคทธ้มีสเวามีอ่าทมได้ท่านทบุญอะไรก็ไม่จะถวาทาั้ยังันาวายไม่ไปแล้วก็านะถาบุญลอนะท่านทไมถึงไม่เทวดาเข้ามามากไม่ไม่ถอยท้ายนรุจาแล้วจะมีพระเจ้าเปจุไถ การทำบุญอะไรเราวอคนเเนมนทำบุญพระอนุกาวกพระองค์ได้ฆาวเลี้ยเองไม่ด้ว่าะเทศให้เทวาบดุนนย้แไม่มักหลักอนาธมบียวันนารน้นามมิตรตกทำานทุวว่าทานจจอยงจริง มีได้ข้าวปลายเี้ยนนลายข้าเข้าปลายเตียยนะก็นพักน้องต้มเนยถายท้าพุทวยาถามว่าตาันีท่านั้นได้ถวายหานยิ่งเลยหรือ้าญวยังได้ถวายทานแต่ว่าทานเจ้าหมองกันแลเจ้าหมองยังไงแล้วเมื่อก่อนข้าพุเจ้ายังมีทรับอยู่ได้ให้ของดีนี้รวนี้ยาตินยงก็ให้แต่ข้าปลายตี้ย ยนี้มันยังมีกระทานของเวลาพรา ม, มตระธาก็เป็นเวลาพรามให้ทานมากกว่านี้มื่อ ให้ถาท้อง8ะแ0 0 0มื่ันใบเต็มไปยเงินทาเงินแปด0 0 0่นสี่ 8, บเต็มไปได้ยทองถากระริก8ป0 0 0ื่นี่บเต็มไปด้ยแก้วช่าง8ปด0 0 0ีันตัวมาแปด0มืนสี่พันตัวรังราชจปัญญาแปด0 0นสี่ันคนสองที่ง่ายนะยางละแปด0 0 0่นี่ันให้เจ็ดสีดูค า, 7, า่ว มันก็ไม่ได้แต่ถึงเราเลยทางเป็นยังไงรพระเจ้าค่ะว่าสถาพตเกิดตรงนั้นเป็นเวลาพราม น, นะเกิดระวังศานสนาพระพุทธเจ้ามาในมรดกไทยทานแตะกอนสามัญอย่างนี้ที่จะมีเงินมากงั้นะะก็เป็นเวลาพรามในเมืองพระรานศีแล้วก็ไปเรียนวิชาเมืองตักเปนวลาที่ก็าแปดหมืม่หกปีแล้วก็เวลาพรามเรียนีจบหมดทำให้มีลูกศิษา์8ดมื่นสี่เมืองก็ไปเรียนวิชากับอาจารย์อาจารย์แล้วก็ มอบกระาษแปดหมสีพันคนะให้ก็เวลาระามว่าท่านยงเรายังไงก็เวลาพระมนี่เหนย่างเราถ้าไปเยี่ยเวลาพอกดาษเหล่านั้นก็มาเรียนเวลาพเวลาพามามาเมืองพระนติพามาบ้าน เดียนกันเพื่อะานั้นได้ผเดชิชาแล้วก็หมอบเขล้อมอาจารย์มีเงินต้องการอะไรเรามีศิษานไปถึงพราเจ้ามาีอันอาจารย์แล้วกลับไปบ้านเมืองจนได้พอต่อมาในปนเจ้าสผดินหมดทางนั้นปรกสาตร์8 0 0 0 0ี่ันคนเนี่เวลาครั้งมันมีเหตถวายทานใก้แกะมังกทานกะพรินจับก็มบูรณ์มากนี่ากแปดตีต๊ดิตตีถาทองเขาดหมื่นสี่ันบจงไม่ประามงาเมืองราใบมืองมานบแล้วก็ทานเงิน8ป หนีันใบทรงจากัดนันเมืองระบยหมืองระบายขาดนิดหมืตพันใบทรงตกัดโน่นนั้นเมือระบายรบาบก็จัดมนโค้งองค์จงขาดสงนิษสมามื่นตพันใบเนื้อ่งาดทอง8ป0 0 0ืีพันใบาเดือน8ป0 0 0พันใบาดแ่ีพันตัวมาทุกบาททุกงนอย่าพูน้อยถึง8ป0 0 0ีพันเหรียญแล้วก็ให้เรือนเือนให้8ป0 0 0ีพันยานจะไม่ให้ตันจตเ็ดเหรได้ให้ขาดแ0 0 0มืี นั่นน่ะควายน้อนในตัวใหญ่ควายนอนในตัวไทย่ังงั้นเนี่ยหรือถึงติสตทพเจ้าพ่อก็ไม่ดีพระพุทธธรราพระสง์นี่วางศาสนานี่ยหรือถึงสุดพิชยาที่ได้ฐานก็ไม่มีมารับฐาน่ใน้ามารับฐานนั่นน่ะ้ทยานขงท่านปกตเยอก็ไม่ได้เห็นไหมว่าฐานเนี่ยทำบุญในศานานล้นมันใหญ่โตมโหร้าน อาทางทีก็มาแปกก็มีด่านเหมือนกันสมาิสมากะปงอย่างน้สมาสมาินคือมนนี่คืนี่อานกระโปรงมันตนสมาตินี้มาชาจิตตีมาชะตาจนกโปมชตาสมาิอย่าง